ขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับบ่ายวันนี้ที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องในบทบาทนี้นะครับปกติก็จะมักจะอยู่แถวๆกองกองกันอยู่ในมุมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระชนะให้กับพี่น้องนะครับเนื่องจากเดือนนี้นะครับทางคริสจกักวัฒนาเรากําหนดให้เป็นเดือนะระลึกถึงสตรีนะครับเพราะฉะนั้นสตรีนะครับ ที่เราจะลึกถึงอาจจะมีหลายคนแต่ถ้าเราไม่เริ่มด้วยระลึกถึงแม่ก่อนท่าทางจะไม่ดีแน่ๆ่เ mm hmm. <laughs> มื่อผมบอกว่าหัวข้อว่าอะไรอะไรก็แม่นะครับมีบางคนนะครับมีพี่น้องบางท่านบอกว่าเอ๊ะนี่กำลังตัดพ่อหรือเปล่าว่าไม่เห็นพูดถึงพ่อพูดถึงแม่อย่างเดียวเปล่านะครับ mm hmm. แต่ผมแค่อยากจะมาพูดแทนคุณแม่ทั้งหลายว่า อะไรอะไรก็ต้องลำบากคุณแม่ทั้งนั้นนะครับ mm. เมื่อเราพูดถึงแม่นะครับเรานึกถึงอะไรครับ mm. เมื่อเราพูดถึงแม่เราอาจจะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งในชีวิตเราที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวมากมายหลายอย่างเลยนะครับ mm. ผมขอยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดก็ต้องแม่ผมเองนะครับโอ้โ oh, ห mm. ขอบคุณพระเจ้าคุณแม่ยังไม่เข้ามาเสร็จเรา เมื่อพูดถึงคุณแม่ของผมนะครับมีเพื่อนของคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่คุณแม่ยังไม่แต่งงานเป็นแฟนกับคุณพ่อเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่าผู้หญิงในสมัยก่อนนะจะถูกสอนให้พูดจานิ่มนวลพูดเบาๆเวลาคุยอะไรทีต้องเงี่ยหูฟังว่าพูดว่าอะไรแต่หลังจากคุณแม่มีลูกชายสี่คนนะครับผมเป็นคนที่สองคุณแม่สามารถจะเรียกลูกชาย ที่อยู่หน้าบ้านจากในครัวได้เลยนะครับครัวอยู่หลังบ้านนะครับเสียงสามารถจะเลยกขนาดนั้นได้เพราะว่าต้องสุ้รบตบมือผมไปเปิดเจอนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องลองฟังแล้วก็ช่วยผมคิดตามว่ามันจริงไหมเขาบอกว่ามีสิบ้าสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อผู้หญิงเปลี่ยนเป็นมนุษย์แม่เดี๋ยวนี้เขาเรียกมนุษย์แม่ใช่หมครับนะครับเขาบอกว่าอย่างแรก คนเป็นแม่จะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะครับมากขนาดที่ตัวเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนมีความอึดมีความอดทนนะครับข้อที่สองคนที่เป็นแม่โดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนจะพบว่าตัวเองเนียกินข้าวได้เร็วมากนะครับกินข้าวได้เร็วมากเพราะว่าเพราะอะไรครับต้องรีบไปดูลูกนะครับข้อที่สามคือ คุณอาจจะไม่ต้องใช้นาฬิกาเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ลูกเป็นลูกอ่อนนะครับเพราะตารางชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเวลาจะหมุนไปอย่างไรก็ตามนะครับเราหมุนตามตารางชีวิตของลูกแล้วก็คนเป็นแม่จะรักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นอีกหลายเท่าเลยนอกจากนั้นเขาบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยครับสมัยก่อนจะยากหน่อยสมัยนี้ยิ่งง่ายขึ้นคนเป็นแม่เนี่ยจะเป็น กล้องโดยไม่รู้ตัวคุณจะถ่ายรูปทั้งวันนะครับจะถ่ายรูปกับลูกถ่ายรูปจะยิ้มจะก้มจะหัวเราะจะแม้กระทั่งบางทีร้องไห้ก็ถ่ายเก็บไว้นะครับบางคนบอกเก็บไว้ให้ดูตอนโตจะได้รู้ว่าตอนเด็กๆเกนี่ยงองแงกับแม่อย่างไงนะครับเขาบอกว่าสมัยนี้คนจะช้อปปิ้งด้วยอะไรครับช้อปปิ้งด้วยการเปิดเว็บซะเป็นส่วนใหญ่เขาบอกคนก็จะเลิกคุณแม่ก็จะเลิกช้อปปิ้งด้วยการเปิดเว็บดูเสื้อผ้า แต่เริ่มหันมาเปิดเว็บดูเสื้อผ้าเด็กดูของเด็กมากยิ่งขึ้นคุณแม่หลายคนพบว่าการที่ไม่ได้อาบน้ำทั้งวันหรือบางทีไม่ได้สระผมหลายๆวันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ายุ่งอยู่กับเจ้าตัวน้อยจนไม่มีเวลาที่จะเข้ามาเอาใจใส่กับตัวเองเท่าไรานักคุณแม่หลายๆคนที่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนก็พบว่าตัวเองกลายเป็นแม่ครัวนะครับ ถึงแม้ว่าจะต้องเปิดดู YouTube ไปพลางทำกับข้าวไปพลางนะครับแล้วคุณแม่หลายๆคนก็พบว่าเมื่อเลิกงานแล้วนะครับไม่อยากจะไปไหนนอกจากมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับมีพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับออกจากงานที่เป็นงานธุรกิจไปทำงานรับใช้พระเจ้า แล้วก็มีโอกาสจะกลับบ้านได้เร็วขึ้นทุกวันทุกวันบอกว่ามุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าคิดถึงลูกนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเมื่อเป็นแม่คนทำให้เราอาจจะเอาใจใส่แล้วก็คิดถึงประโยชน์ของลูกนะครับมากจนบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรู้สึกเราจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นจริงๆไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับคิดถึงลูกนะครับ คุณแม่อีกหลายๆคนรู้สึกว่าเรากลัวตายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะกลัวจะไม่มีคนเลี้ยงลูกกลัวลูกจะลําบากและเราก็อยากจะเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเราพบว่าเรามีความสุขง่ายขึ้นด้วยการด้วยรอยยิ้มของลูกของเรานะครับและเราก็มีอารมณ์อ่อนไหวมากขึ้นเมื่อเห็นข่าวหรือมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะครับคุณคุณแม่บางคนนั่งน้ำตาไหลนี่เป็น สิบ้าอย่างที่เขาพูดถึงผมไม่ทราบว่าเมื่อเราฟังแล้วเราจะเห็นด้วยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เมื่อพูดถึงคําว่ามนุษย์แม่ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าคําว่ามนุษย์แม่เนี่ยมีคนสงสัยเหมือนกันว่าคําว่ามนุษย์แม่เนี่ยมีความหมายในทางบวกหรือทางลบนะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินคําว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์อะไรอีกหลายๆมนุษย์ที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเขาจะพูด ค่อนข้างพูดถึงในเชิงลบแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่ามันจะเติมคำข้างหน้าว่าคำว่ามนุษย์หรือคาว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าลงว่ามีคำว่าแม่เนี่ยผมว่าเรามาพิจารณากันนิดนึงว่าคำว่าแม่นี่มีแต่ความหมายยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยแม่กุญแจนะครับแม่กุญแจถ้ามีกุญแจแต่ไม่มีคุณแม่กุญแจทําอะไรไม่ได้เลยแม่ทับนะครับแม่ทับ ชื่อก็บอกไม่เห็นเคยมีพ่อทับสักคนนะครับมีแม่ทับอย่างเดียวแม่น้ำแม่พระแม่พิมพ์แม่สีเรานึกถึงแม่สีนะครับแม่สีเนี่ยเป็นกลุ่มสีซึ่งผสมสีออกเป็นสีต่างๆได้นะครับแล้วก็คนที่เขาเป็นจิตรกรเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากแม่สีนะครับแม่แบบก็เป็นสิ่งที่วางต้นแบบเอาไว้สำหรับโครงสร้างของสิ่งต่างๆนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วแม่ทัพคือผู้ที่เป็นผู้นำนะครับในกองทัพทั้งหมดนะครับเห็นคําว่าแม่เนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าอย่างไรคําว่าแม่เนี่ยถ้ามีคําว่าแม่เนี่ยผมคิดพบว่ามันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีคําอีกคำหนึ่งที่เป็นศัพท์ใหม่ๆว่าตัวแม่ ก็จะหมายของถึงว่าคนซึ่งทำอะไรทำได้ดีกว่าคนอื่นมีความสามารถเหนือววคนอื่นในเรื่องนั้นๆ น, น, นะครับเช่นนักกินตัวแม่ก็อันนี้จะกินเยอะหน่อยนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวแม่เนี่ยจะจะเป็นพิเศษแต่ในสิ่งที่สำคัญเราพบว่าแม่นะครับในพระคัมภีร์เป็น สตรีที่สมควรจะได้รับการสารรเสริญในพระธรรมสุภาษิตบทที่31นะครับข้อ30บอกว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงคุณแม่แบบอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ สำหรับผมแล้วแน่นอนครับถ้าความหมายของคําว่าแม่ไม่มีทางลบนะครับมีบางคนโดยเฉพาะเด็กๆอาจจะมีความรู้สึกถึงคุณแม่ที่ต่างไปบ้างเช่นแม่ขี้บ่นนะครับเมื่อผมพูดลูกผมนั่งอยู่ข้างหน้าก็หลบตาครับไม่รู้คิดตามหรือเปล่าแม่ขี้บน่นแม่บางแม่บางคนเราเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าแม่ช่างจัดการนะครับ หรือคุณแม่เป็นคนที่วัยรุ่นหลายๆคนเกิดความรู้สึกขัดใจแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราถึงวัยหนึ่งเราจะพบว่าคุณแม่เป็นคนที่ห่วงเราเสมอแล้วก็พึ่งได้เสมอคนเป็นแม่เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือคนเป็นแม่เนี่ยเป็นแล้วเป็นไม่หายนะครับเป็นแล้วเป็นจนตาย ตั้งแต่เริ่มเป็นไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะครับคนเป็นแม่ก็ยังรักเราไม่แปรเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทั้งหลายนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับของแม่ท่านหนึ่งที่เป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือนางมารีกับพระเยซูแม้นางมารีจะรู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็แม้พระเยซูจะมีอายุมากถึงสามสามปีและแม้กระทั่งวันที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนนางมารีในฐานะแม่ก็ยังรักแล้วยังยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้ากางเขนทั้งทงที่จริงๆแล้วนะครับนางมารีได้เตรียมใจตั้งแต่พระเยซูเกิดแล้วเมื่อตอนที่นางมารีได้นำ พระกุมารที่อายุครบแปดวันไปถวายในพระวิหารแล้วก็พบกับผู้พยากรณ์ที่ชื่อซิเมโอนซิเมโอนได้กล่าวว่าลูกของเธอก็คือพระเยซูจะสร้างความเจ็บปวดอย่างที่สุดในชีวิตให้กับเธอในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ34 35บอกกับเราบอกว่าแล้วซิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมาร น, นั้นว่าดูกน ท่านทรงตั้งพระกุมาร น, นี้ไว้เป็นเหตุให้คนหลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตั้งขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธเพื่อความคิดในใจของเนคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วยถึงแม้พระเยซูจะอายุถึงสามสิบสาพระเยซูสำหรับนางมารี ก็ยังเห็นพระเยซูเป็นลูกที่เขารักรักอย่างมากเหมือนในพระธรรมอิสยาห์บทที่49ข้อ45บอกกับเราบอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรชายจากคันของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าเพราะเจนะที่มาถึงเราวันนี้ตามที่ผู้นําน้ำสการได้ อ่านให้เราฟังแล้วผมขออนุญาตอ่านให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินต์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้ความรักไม่อิจฉา <c oughs> ไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการเกล่นและเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่พระวชนะของพระเจ้าเรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับ้แต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดระโมทนาและเราขอบพระคุณพระองค์ซ บ, บายวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรา อยู่ด้วยพร้อมกันที่นี่ที่เราเองจะมีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพระวจนะของพระองค์สั่งสอนข้าพระองค์และพี่น้องทุกๆคนที่จะเข้าใจถึงน้ําพระทัยของพระองค์เข้าใจถึงแบบอย่างของความรักที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้และความรักของแม่ที่เป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของเราขอการทรงนํานี้ที่จะมาจากพระองค์ที่เราจะเข้าใจพระวจนะทั้งสิ้นนี้โดยการทรงนําของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ถ้าบอกว่าถ้าจะมีใครสักคนนะครับที่จะสําแดงความรักได้ใกล้เคียงพรวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็คงจะมีผู้หญิงสตรีที่ถูกขนานนามว่าแม่เท่านั้นผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้พิจารณาพรวจนะของพระเจ้าตอนนี้ร่วมกัน โดยคิดถึงความรักของแม่เราจะพบว่าความรักของแม่จากพระธรรมตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูในข้อที่สี่เราพบว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดนี่เป็นแบบอย่างของความรักที่ คงจะยากมากๆกับการที่เราจะทําให้กับใครสักคนด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาการทรงนามจากพิมพ์านบริสุทธิ์แต่เราพบว่าความรักของแม่เป็นความรักที่อดทนต่อทุกอย่างเหมือนพระเจ้าตอนนี้จริงๆและพร้อมที่จะมอบสิ่งดีให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่คิดเปรียบเทียบนะครับคนเป็นแม่ต้องอดทนอะไรบ้างครับคนเป็นแม่ต้องอดทนอะไรบ้าง อย่างแรกสุดเลยนะครับคิดง่ายๆคนเป็นแม่ต้องอดทนในกายภาพนะครับพอเริ่มตั้งแต่การอุ้มท้องตั้งคันเป็นเวลาเก้าเดือนผมเคยทดลองอ้วนดูนะครับผมเคยทดลองอ้วนดูช่วงที่อ้วนและพุงโตๆเนี่ยรู้สึกว่าเดินเหินก็จะลำบากขึ้นหลังเหลังก็จะปวดขึ้นแม้น้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ หลังจากทดลองอ้วนดูผมก็พบว่าไม่สนุกแต่คนเป็นแม่นะครับทดลองอ้วนอยู่เก้าเดือนเต็มๆนะครับไม่ได้มีอะไรสนุกเลยทั้งเท้าก็เป็นเน็บนะครับทั้งปวดหลังเดินเหินก็ไม่สะดวกต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องอดทนอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วมีเป้าหมาย ว่าเมื่ออดทนจนถึงที่สุดแล้วจะต้องพบกับความเจ็บปวดนะครับอย่างมากอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราพบว่าคนเป็นแม่ได้อดทนอย่างกายภาพมาตลอดและพอคลอดลูกออกมานะครับก็พบว่าต้องทําอะไรครับมีหลายหลายคนเตือนคนเป็นแม่ไว้รวมถึงคนเป็นพ่อด้วยนะครับต้องช่วยคุณเป็นแม่ด้วยนะครับนอนตุนๆเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่า นอกจากต้องอดทนมา9เดือนพอพ้นเก้าเดือนไปเสร็จไม่ใช่ว่าจะนอนสบายนะครับอันนี้จะถึงช่วงเวลาของการอดนอนต้องเริ่มอดนอนอยู่ตลอดเวลานะครับผมแนะนำนี่เราเอามาผมแนะนําคุณพ่อทั้งหลายโดยเฉพาะคุณพ่อมือใหม่บอกว่าเคล็ดลับของคุณพ่อที่จะนอนได้เต็มอิ่มมากขึ้น นะครับก็คือช่วยเหลือคุณแม่ให้สามารถที่จะให้นมได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตื่นมาถ้าลูกๆ ก, กินนมแม่นะครับลูกคุณพ่อตื่นมาจะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าลูกๆไม่กินนมแม่เนี่ยนะครับคุณพ่อก็จำเป็นจะต้องตื่นขึ้นมาช่วยในทุกๆคืนนะครับอาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องตลกตลก แต่เราพบว่าคุณแม่ต้องอดทนอย่างมากที่จะนอนหลับแล้วก็กลางคืนก็ถูกปลุกขึ้นมานะครับถูกปลุกขึ้นมาในทุกๆคืนเพื่อที่จะมีใครสักคนเข้ามาแล้วก็เท่าที่คุณแม่หลายๆคนบอกบอกว่าเวลาเด็กตื่นขึ้นมาดูดนมด้วยความหิวบางครั้งมันเคี้ยวกัดอีกเจ็บอีกนะครับ นี่คือความทรมานความที่ต้องอดทนในกายภาพพอลูกๆโตขึ้นนะครับอย่าได้คาดหวังว่าจะสบายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอดทนแล้วก็ดูแลนะครับทุกๆอย่างเวลาทุกวันนี้นะครับเวลาผมเข้าบ้านคุณแม่นะครับผมจะไม่ค่อยบอกล่วงหน้าครับท่านว่าจะเข้าไปเพราะเธอเมื่อไหลก็ตามบอกล่วงหน้าว่ า, าจะเข้าไปหลายๆคนคง มีประสบการณ์เช่นเดียวกันคุณจะพบกับอะไรครับกับข้าววางเต็มโต๊ะของเขื่องทุกอย่างเตรียมขอเพียงว่าอยากให้ลูกได้อิ่มทั้งๆ ท, งที่ทั้งๆ ท, ที่จริงๆก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้สะดวกนักในการที่จะเตรียมนะครับยังช่วงเวลาสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องชายผมจะกลับมาจากต่างประเทศนะครับ ทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเขาจะกลับมาสักประมาณปีละครั้งทุกคนที่กลับมานะครับคุณแม่จะคิดเมนูเตรียมไว้ละเตรียมมีเมนูนู้นเมนูนี้เมนูนั้ น, นเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้นะครับขอเพียงเพื่อให้ลูกที่ไม่ได้เจอกันนานได้มีโอกาสได้กินของที่เคยชอบกินของที่อยากกินนะครับเวลาเข้าไปบ้านเนี่ยครับอย่าได้เอ่ยปากนะครับว่าอยากได้อะไรกินข้าวอยู่นิวางช้อนทันทีครับแล้วลุกไป แล้วคุณแม่ผมหลายๆคนก็คงเห็นนะครับไม่ได้เดินเหินสะดวกนักนะครับด้วยวัยด้วยสุขภาพแต่ไม่ได้ครับจะ ต, ต้องลุกทันทีเพื่อที่จะพยายามจัดการทุกๆอย่างเพื่อดูแลลูกนี่คือความอดทนของคุณแม่อดทนนานและก็กระทำคุณให้นอกจากนั้นคนเป็นแม่นะครับยังอดทนกับวาจานะครับหลายๆคนที่เป็นคุณแม่วัยรุ่นนะครับ อาจจะเริ่มนึกถึงเมื่อครั้งที่เราเองยังเป็นวัยรุ่นนะครับว่าเราเคยพูดจาให้แม่เสียใจกี่ครั้งผมไม่ถามนะครับว่าเราเคยพูดจาให้คุณแม่เสียใจไหมผมถามแต่ว่ากี่ครั้งนะครับบางครั้งคำพูดพื้นๆที่เราพูดกับคนเป็นแม่เช่นคำว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วก็เราก็เร่งวอลลุ่มขึ้นทุกทีทุกทีรู้แล้วเป็นสิ่งที่เสียดแทงใจของคนเป็นแม่ เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นแม่ต้องอดทนต่อวาจาของเราวัยรุ่นบางคนเอาความห่วงใยตอบสนองความห่วงใยของคุณแม่ด้วยคำสั้นๆว่าอย่ายุ่งหรือคำอะไรอื่นๆอีกมากมายที่จริงๆแล้วเราแทบจะไม่เคยใช้คำเหล่านั้นกับเพื่อน ไม่เคยใช้คำเหล่านั้นกับคนในที่ทำงานเราไม่ใช้คำเหล่านั้นกับกับคนอื่นๆนะครับแต่เราใช้คำเหล่านี้กับคนที่ใส่ใจกับเรามากที่สุดในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสามข้อหนึ่งเตือนเราบอกว่า ลูกที่ฉลาดรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่คนชอบเยอะเ ย, ะเยะ้ยไม่ฟังคำเตือนสตินอกจากคนเป็นแม่ต้องอดทนทั้งกายภาพทั้งคำพูดของเรานะครับหลายครั้งคนเป็นแม่ต้องอดทนต่ออารมณ์ความรู้สึกนะครับของเราในยามที่เราเอง รู้สึกตัวว่าเราไม่สะดวกหรือเร า, าไม่พร้อมผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปอบรมนะครับไปเข้ า, าการอบรมที่สิงคโปร์มามีผู้นำคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาให้พิวอเรตี้กับครอบครัวของเขานะครับทั้งภรรยาทั้งลูกและคุณแม่คุณพ่อเขาคนนี้เขาเป็นซ e อและก็เป็นพพสเตอร์ แต่เขาบอกว่าเขาให้ parity กับครอบครัวว่าเมื่อไหรก็ตามที่ครอบครัวโทรมานะครับเขาจะรับสายถึงแม้ว่าเขาจะยุ่งอยู่จะติดธุระเขาจะรับสายแล้วเขาอาจจะคุยสั้นๆเพื่อบอกว่าเขายังมีความจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างอยู่แต่เขาจะรับสายเพื่อที่เขาจะให้ครอบครัวของเขารู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขามากขนาดไหน หลายครั้งหลายคนอาจจะเมินเฉยต่อโทรศัพท์ของแม่ที่โทรมาหลายครั้งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าแม่โทรมาแม่อาจจะพูดอะไรซ้ำๆเดิมๆบนๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะครับแต่ผมมีโอกาสเห็นตัวอย่างของซ e o อ ท่านนี้ว่าเขาบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนโดยเฉพาะคุณแม่แต่ที่สำคัญนะครับเราพบว่าไม่ว่าแม่จะต้องอดทนอะไรก็ตามแต่คนที่เป็นแม่ไม่เคยจดจำความผิดใดๆก็ตามคนเป็นแม่พร้อมที่จะยกโทษพร้อมที่จะอภัยให้เสมอ ความรักของแม่แสดงให้เห็นนะครับจากพระธรรมตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักของแม่เป็นความรักที่ปรารถนาที่จะให้ลูกถ้าเราใช้คําง่ายๆคือให้ลูกได้ดีอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีกับลูกนะครับไม่สนับสนุนความชั่วร้ายแต่หนุนใจและเป็นตัวอย่างในทางการทําความดี สิ่งที่คนเป็นแม่วงเล็บคนเป็นพ่อด้วยจะสนับสนุนลูกให้ได้ดีได้ดีที่สุดก็คือการส่งต่อความเชื่อตามสถิติเขาบอกว่าคนยิวเนี่ยครับ 0.2% ของโลกเท่านั้นนะครับ populaion t ของคนยิวมีแค่ 0.2% ของคนทั้งโลกแต่ 20% ของคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนยิว แล้ว 30% ของศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกามีเชื้อสายยิวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นมาจากผลของการสอนลูกในครอบครัวและบุคคลสำคัญในการสอนลูกในครอบครัวของคนยิวก็คือมารดาผมอยากจะยกตัวอย่างของแม่ที่เป็นตัวอย่างนะครับในการที่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบ คนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือยูนิสเมื่อเราพูดถึงยูนิสเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นักนะครับแต่ในพระธรรมทิโมธีบทที่เออพระธรรมสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อ5บอกกับเราบอกว่าอาจารย์เปโโลเขียนบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน ตกลงยูนิสเป็นใครครับเป็นแม่ของใครครับเป็นแม่ของใครครับแม่ของทีมหมดทีนะครับการที่อาจารย์เปาโลเนี่ยประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีปัจจัยหลายประการนะครับแน่ๆปัจจัยประการแรกสำคัญที่สุดคือพระคุณพระเจ้าแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือการอุทิศถวายและทุ่มเทชีวิตของเปาโลเองและอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือการที่เปาโลมีเพื่อนร่วมงานที่มีคุณค่าและคนสําคัญคนหนึ่งในหลักคนเหล่านั้นคือทิโมธีเพราฉะนั้นเมื่อทิโมธีเขียนจดหมายส่วนตัวสองฉบับส่งไปยังทิโมธีเปาโลอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงยูนิสแม่ของทิโมธีซึ่งเป็นแม่ที่อบรมลูกในทางของพระเจ้าท่งต่อความเชื่อของเขามายังทิโมธี พระพีบันทึกว่าเมื่อยูนิสว่าว่ายูนิสเป็นแม่ของทิโมธีแล้วก็กล่าวว่าทิโมธีเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างจริงใจเหมือนแม่และเหมือนยายนะครับทิโมธีเป็นคนที่เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กจนมีความเชื่อมั่นคงสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างที่แม่อบรมลูกในทางของพระเจ้าของยูนิสเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเหมือนกันว่า ทุกวันนี้ครับผมก็พูดอยู่เสมอว่าเวลานะครับของเราโดยเฉพาะเวลาของเด็กๆหมุนไปไวมากเร็วมากวันหนึ่งเราพบว่าเขาเป็นเด็กประถมอีกวันหนึ่งเราพบว่าเขาอยู่มัธยมละเขาอยู่มหนึ่งมสองมสามแล้วพอเขาอยู่มสี่มห้ามหกสิ่งที่ขโมยหรือแย่งเวลาของเขาไป ก็คือการเรียนนะครับการสอบการติวนะครับการเรียนพิเศษและหลายสิ่งหลายอย่างไปจนถึงเขาอยู่มหาวิทยาลัยสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับทุกวันนี้เราไม่ได้กําลังต่อสู้กับสิ่งที่เรียกที่โลกบอกว่าไม่ดีนะครับเราพบว่าสิ่งที่โลกบอกว่าไม่ดีแบบอใบยมุกนะครับติดเกมยาเสพติด หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วเราก็พยายามจะพาลูกหลานของเราออกจากสิ่งเหล่านั้นแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่โลกบอกว่าดีนะครับทุกอย่างโลกบอกว่าดีหมดเลยน่าทําเป็นประโยชน์แต่ทุกอย่างเหล่านั้นกําลังดึงลูกของเราออกจากเวลาของพระเจ้านะครับทำสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดครับแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ลูกของเรา ขาดจากการนมัสการพระเจ้าลูกของเราขาดจากการรับใช้พระเจ้าก็คงจะมีแต่คุณแม่วงเล็บคุณพ่อด้วยที่จะสนับสนุนเขาเหล่านั้นให้ยังอยู่ในทางของพระเจ้ายังมานมัสการพระเจ้ามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างที่ยูนิสได้มีโอกาสได้สั่งสอนทิโมธีให้อยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งสำคัญก็คือการที่จะอบรมเขาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องการสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นที่น่าเสียดายที่ผมเห็นพี่น้องหลายคนที่เมื่อถึงวันหนึ่งลูกๆของเขาก็เริ่มห่างจากโบสถ์แล้วก็หายไปจากโบสถ์แต่เมื่อเราพิจารณาให้ดีเราก็พบว่าหลายๆคนก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ติดอยู่กับกิจกรรมต่างๆข้างนอกและก็ไม่ได้นาลูกมาโบสถ์ ดันั้นก็คงเป็นการยากที่เราจะพาลูกมาส่งที่โบสถ์นะครับแลวคุณพ่อคุณแม่ก็ไปข้างนอกนะครับงั้นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแบบอย่างในการที่ทำให้เด็กๆทำให้เยาวชนนะครับทำให้อนุชนนะครับอยู่ในทางของพระเจ้าคุณแม่อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับในการส่งเสริมลูกในทางของพระเจ้าคือฮันนา ฮันาเป็นแม่ของซามูเอลและก็ฮันามีความโดดเด่นในการส่งเสริมลูกด้วยการมอบถวายซามูเอลไว้กับพระเจ้าพาซามูเอลเข้าไปในพระวิหารตั้งแต่ดเด็กนะครับถ้าเราจะไปดูในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่หนึ่งข้อยี่ิกถึงยผมขออนุญาตยังไม่อ่านในตอนนี้แต่จนเมื่อเตอิบโตขึ้นเนี่ยซามูเอลจึงกลายเป็นผู้ผเผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่และมีผลมากต่อชนชาติอิสราเอล ต, อตลอดจนผู้เชื่อในปัจจุบันนะครับ แม่ที่ดีจึงเป็นแม่ที่ควรจะส่งเสริมลูกในทางของพระเจ้าไม่เพียงให้ลูกเรียนพวจนะเท่านั้นแต่ส่งเสริมให้ปฏิพฤติตามพวจนะของพระเจ้าและแม่อีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในการที่เป็นแบบอย่างในทางของพระเจ้าคือนางสโลเมส โ, โลเมเป็นแม่ของยอนและยากอ บ, บุตรเสบดีอักษาวกคนสาคัญของพิยสุคริต เธอมีความรักมั่นคงในพระคริสต์และเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายในการติดตามพระเจ้ายอนและยากรบก็เป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นตลอดชีวิตลูกจึงไม่เพียงเรียนรู้จากสิ่งที่แม่สอนแต่เรียนรู้จากชีวิตที่แม่เป็นชีวิตของแม่จึงเป็นยิ่งกว่าคําสอนไม่ว่าจะเป็นแม่คนไหนที่เราเห็นเป็นแบบอย่างในความเชื่อนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตของลูกๆอย่างมากก็คือการอธิษฐานครั้งหนึ่งผมอยากจะเล่าว่าผมเคยไม่กล้ามีลูกผมเคยไม่กล้าที่จะมีลูกจนวันหนึ่งตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับตรงมานั่งตรงนี้ในการนมัสการภาเช้าอาจารย์ท่านหนึ่งมาเทศนาใน วันแม่ก็เป็นช่วงใกล้ๆ ก, กันแบบนี้เหมือนกันและกล่าวถึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องของอาจารย์รูทเกรแฮมรู้จักอาจารย์รูทเกรแฮมไหมครับรูทเกรแฮมเป็นภรรยาของอาจารย์บิลลี่เกรแฮมซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทีา่จะใช้คำว่ายิ่งใหญ่ก็คงไม่ใช่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวท่านเองแต่ว่าพันธกิจที่ท่านทำที่มีส่วนเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผลกับชีวิต คนมากมายนะครับเดินทางไปทั่วโลกที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับขณะที่คุณพ่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ลูกชายในช่วงวัยรุ่นลูกชายของอาจารย์บิลลี่เกรแฮมและรูทเกรแฮมเนี่ยได้ติดสสิ่งเสพติดนะครับมีคนถามว่าอาจารย์รูทรู้สึกอย่างไรที่ลูกเป็นอย่างนี้ ท่านตอบว่าท่านรู้สึกห่วงลูกของท่านแต่ท่านไม่เคยกังวลเลยเพราะว่าตั้งแต่วันที่ลูกของท่านเกิดจนถึงวันที่มีคนนั้นมาถามเนี่ยท่านบอกว่าไม่เคยมีสักวันที่ท่านจะไม่ได้คุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานเพื่อลูกของท่านเพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านจะดูแลลูกของท่านไม่ได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าดูแลลูกของท่านอยู่ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนี้ลูกของท่าน เลิกสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วก็กลับใจแล้วก็กลับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสารต่อพันธกิจของบิลลี่เกรแฮมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันนี่เป็นผลจากการอธิษฐานของแม่ที่ไม่ขาดความเชื่อไม่เคยที่จะขาดความเชื่อไม่เคยที่จะขาดความวางใจในพระเจ้าและเป็นแบบอย่างกับลูกในการที่จะอธิษฐานเป็นแบบอย่างในความเชื่อ สุภาษิตบทที่หนึ่งข้อแดเตือนเราอีกครั้งว่าบุตรชายของเราเอย๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้าเมื่อเราดูตัวอย่างจากโคจนะในหนึ่งโครินบทที่สิบสาอีกส่วนหนึ่งที่เราพบว่าเป็นตัวอย่างความรักของแม่เช่นเดียวกันคือแม่ที่เชื่อในส่วนดีของลูกอยู่เสมอผมพูดถึงแม่หลายๆายคนใน พระเจ้าของพระเจ้าและอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงแม่คนหนึ่งที่ชื่อนางริสปานางริสปาเนี่ยเป็นสนมของกษัตริย์ซาอูลแล้วก็มีบุตรสองคนชื่ออารามน ن ي และเมฟีโบเชตอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่าไหร่นักนะครับลูกทั้งสองของนางถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอจากคำสั่งของกษัตริย์ดาวิด เนื่องจากการแก้แค้นของคนกิเบโอนที่โกรธแค้นต่อกษัตริย์ซาอูลผู้เป็นบิดาของเด็กทั้งสองแต่ด้วยความรักของแม่อย่างที่สุดเธอได้นอนเฝ้าร่างไร้วิญญาณของลูกอย่างไม่ยอมห่างตั้งแต่ฤดูเกี่ยวจนฝนตกจากท้องฟ้าเธอคอยปกป้องร่างทั้งสองไว้ไม่ยอมให้นกแร้งหรือสัตว์ร้ายมาแทะกินเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ยินความรักอันยิ่งใหญ่ของนางริสปาที่มีต่อบุตรทั้งสองก็รู้สึกประทับใจ และตั้งใจที่จะบรรเทาความทุกข์ของแม่ด้วยการรวบรวมนําเอากระดูกของกษัตริย์ซาอุลผู้เป็นบิดาและราชบุตรโยนาทานมาฝังรวมกระบุตรทั้งสองของนางริสปาอย่างสมเกียรติในฐานะครอบครัวของกษัตริย์เราพบว่านี่คือความรักของแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขบุตรของนางทั้งสองคนตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังของชาวบ้านคือคนกิเบโอนที่มีต่อบิดา ทั้งสองก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของการแก้แค้นเพราะว่าเกิดมาบนบาปของบิดาแต่ยังไงก็ตามเธอก็ยังรักลูกของเธออย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกจะเป็นผลของใครจะเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นๆเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นสิ่งใดๆก็ตามเธอยังรักลูกของเธอมากจริงๆความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่างผมชอบบทเพลงที่เราร้องกันในวันแม่บอกว่าใครหนอที่บอกว่าจะเอาโลกมาทำปากกาจะเอานภ า, ามาแทนกระดาษจะเอาน้าหมดมาหาสมุดแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอผมอยากให้เรามีโอกาสได้อ่านพระชนะของพระเจ้าใน พระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่13บข้อสี่ถึงเจ็อีกครั้งหนึ่งไม่ทราบบนจอจะมีไหมครับแต่ผมอยากจะให้เราเปลี่ยนนิดนึงในข้อที่สี่คำว่าความรักอยากให้เราลองอ่านพระธรรมตอนนี้แล้วเปลี่ยนคำนั้นเป็นคำว่าแม่นะครับความรักเราเปลี่ยนเป็นคำว่าแม่และในในข้อที่เจ็ดในคำว่าคนอื่น ค, ความผิดของคนอื่นเราเปลี่ยนเป็นคำว่าลูกและเราบอกว่าเชื่อในสุนีของเขาอยู่เสมอเราเปลี่ยนคำว่าเขาเป็นคำว่าลูกอีกเหมือนกันเราลองอ่านพระเจ้นนนานี้ด้วยกันแบบเราคิดถึงแม่นะครับถึงสองซ้าแม่นั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้แม่ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจันทร์ความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบแม่ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของลูกและเชื่อในส่วนดีของลูกอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทน ต, ต่อทุกอย่างแม่หลายๆคนอาจจะไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่าแม่ทุกๆคนเป็นแม่ที่รักเราที่สุดเมื่อเราคิดถึงความรักของแม่เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่อะไรๆก็แม่ที่ทาให้กับเรา เวลาที่เราดีใจเราคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราร้องไห้เรามากักจะคิดถึงแม่เวลาที่เราเดือดร้อนเรามักจะคิดถึงแม่เวลาที่เราขาดเงินเรามากักจะคิดถึงแม่เวลา however, ที่เราป่วยเราเจ็บล้วคิดถึงแม่นะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจถ้าเราคิดถึงแม่อย่าให้เรามีโอกาสสัปดาห์ข้างหน้านะครับเป็นวันแม่นะครับอย่าให้วันแม่ เป็นแค่เฉพาะวันที่เราจะรักแม่แต่ให้เรารักแม่ในทุกๆวันนะครับเพราะว่าแม่คือแม่ที่รักเราอย่างไม่มีขึื่อนไขให้เราอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดละโมทนาและเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราทุกๆคนเกิดมาทางพระคุณและความรักของพระองค์ผ่านแม่โอกาสนี้เราขอ อธิษฐานและวิงบอลต่อพระองค์ร่วมกันที่พระองค์จะอวยพรคุณแม่ทุกๆคนที่จะเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าที่คุณแม่จะมีกําลังที่จะอดทนในการที่จะดูแลลูกและโดยเฉพาะในการส่งเสริมลูกทุกๆคนให้อยู่ในทางของพระเจ้าขอนําเราที่เราเองจ ะ, ะระลึกถึงพระคุณของคุณแม่และปฏิบัติต่อคุณแม่ด้วยความรัก แบบพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันเราขอการทรงนำทั้งสิ้นที่จะมาถึงชีวิตของเราทุกๆคนและคุณแม่ทุกๆคนอธิษฐานทูลขอการทรงนำและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน